นักมูฏะจักะคาวะโตอระหะโตสมมาสมปุฏะจันมะควะโตอระหะโตมมาสมุนมะควะโตอระหะโตสมมาสมุ สีเรนสุขะติยันติกสีเรนภูคะสัมปธาสีเรนนิพุติยันติกตัตามานสีรังสุทธะเยติอ่ า, วาพวกตัปปุิษาทั้งหลายมีทั้ง บันพาจิตเดะธราวาสซึ่งเป็นผู้หี่จิตใจอันน้อมไปสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆท่านวันนี้เป็นการเป็นสมัยอันหนึ่งซึ่งทุกคนเราจะย่อมผ่านไปผ่านไป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 ป็นเป็นวันอันหนึ่งซึ่งโบราณอาจารย์ท่านว่ า, าเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือสังกาศสังขารล่วงไปคือเดือนห้านี่เอง่ะนี่มันล่วงไปโบราณอาจารย์เราถือวันนี่มันรอบปี ม, มันรอบปี อย่างไรอันนี้คนไม่ต้องสนใจมันล่ะว่ามันรอบอยู่วันอาทิวันจันทร์วันคันวันพุวันประหัตวันสุกวันเสาร์จะตั้งต้นวันไหนก็ได้จะตั้งต้นแต่วันจันทร์ไปก็ได้จะตั้งต้นแต่วันศุกร์ไปก็ได้คือมันนับรอบไปรอบไปเท่านั้นแหละมันก็มารอบปีหนึ่งติดสองเดือนมันเป็นปีหนึ่งถนัดจะตั้งแต่ที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันผิดสมมูทเขาอืม ถึงในรูปีเช่นนี้การที่ล่วงมาที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมานี่พระเดี๋ยวจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะมีความซื่อสัตย์สุดจริตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มวดมีความสุขมีความสบายเพราะมีศีลธรรมสมัยอาตมายังเป็นเด็ก กำ น, นันคยใบ้านคนแก่ทั้งหลายถึงจุดสงการที่เรียกว่าสังกาสังขารมันล่วงไปรวมกลุ่มกันโน่นไปอำเภอไปสารอำเภอเน่ะเขาเรียกว่าไปถือน้ำกันไปกินน้ำกันไปสบาย น, น้ำกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างในอำเภอนี้จังหวัดนี้ตำบล น, นี้ถึงแม้จะอยู่คนละบ้าน คนระหัวใจพนจริงแต่ว่าให้มีความเห็นเป็นกลุ่มอันเดียวกันเพื่อให้มีความสุขตั้งมั่นอยู่ในกีรธรรมนั่นเองคือไปบบานตัวไปตั้งสัตว์ให้มีความสุขชื่อสัตว์ต่อเจ้านายต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้ให้กลัวให้วาดให้สะดุง้งให้อายอยู่ทุกคนทุกคนเนี่ยนี่ บ้านเมืองของเรานั่นอยู่เย็นเป็นสุขเพศีรธรรมเพราะการประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติใจดีทุกคนรวมกลุ่มกันหากว่าคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ดูมันตลอดมืตอวันเนี่ยเราก็คงจะเห็นนะ่ะบ้านเดียวกันก่ อ, กอทะเลาะกันพ่อแม่อันเดียวกันก่อทะเลาะกันประเทศเดียวกันก่อทะเลาะกันนี่พ่อความหลง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 เท่านั้นเองมีไม่ปล่อยทุกมีความรู้อย่างนั้นก็เรียวกว่าศาสตร์แต่ไม่เหมือนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพุทธศาสตร์นี้ถ้ารู้แล้วต้องรู้ปล่อยรู้วางรู้เลิก ม, มีโทษก็เห็นโทษไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยรู้ปล่อยรู้วางรู้ละ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 เป็นศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์อันแน่นอนเป็นความรู้ซึ่งออกมาจากปัญญาอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของแน่นอนทันริงว่าเป็นสัจธรรมแต่ก็มีคนบางกลุ่มเป็นกลุ่มนั่นก็เรียกว่าทาดีได้ดีไม่แน่นอนเพราะว่าฉันทำดีอยู่ทำไมไม่ได้ดี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 เขาจับนายกอไปจิตตารางไอ้ความจริงๆนายกรนี่ไม่ได้ขโมยเขาเลยแค่ว่าพยานไม่พอก็เอาคนอืม่มาเป็นพยานหลายๆคนนายกอมปนคนคนเดียวพยานท่านอยู่ตรงไหนใจของข้าน่ะเป็นพยานนี่อันนี้มันสู้เข้าไม่ได้เห็นไหมเพิ่งสู้เข้าไม่ได้ขนาดนั่นเป็นต้นนายกอถึงยอมจิตตารางจิตตารางไปก็จิตตารางโดยทางที่ถูกต้องมันติดตแต่กายเท่านั้นในใจมันไม่ติดหรอก ก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้คนเราก็ถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็มีความน้อยใจพระองค์สมเด็จพระสมมาสัมพิทธเจ้าไม่มีทางที่จะน้อยใจแหละถ้ามันเป็นเช่นนี้วัดนี้เราไม่กระทำอย่างนี้มันมีโทษอย่างนั้นท่านก็มันเป็นเพราะอะไรท่านโยนให้กรรมจ้ะนี่อะมันเป็นเพราะกรรมวันนี้เราไม่ทําทำก็ทำเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้นทำทำเราไม่ได้ทำโง่ทําเมื่อก่อนวปนั้น่นมันทำํำเรามันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็คลุมมันลงไปเสียสิ่งสัง ק วงไม่มีเหตุมันไม่เกิดทำมันเกิดพอเหตุอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เยืองนิดชีวิตของเราคดราพื่นอย่างนั้นจึงเชื่อหาคนที่เชื่อในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันยาก อย่างอัตามาพาญาติโยมมาพาสานุษิธมาสร้างวัดป่าเนี่ยได้เป็นเวลานา น, านประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วทุกคนก็คงจะรู้รสภาพที่วัดน้องปะคงมันเป็นยังไงมานะเป็นมาที่ผ่านทนอะไรมาเนี่ยทุกสิ่งทุกประการอดทนก็เพราะว่า ม, มีความเห็นจริงแน่นอนไม่กลัวอืม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 ที่เขาว่าเราไม่ดีนั่นมันไม่ดีที่ตรงไหนเนี่ย <Yeah. S 1> ที่ตรงไหนมันไม่ดีมีไหม uh huh. ถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ดีแล้วแล้วก็เลิกมันเสียงอ uh huh. อย่าไปโทษคนอื่นครับถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันดีอยู่เขาว่าไม่ดีก็ให้เขาเชื่อเขาพูดไม่ถูกหรอกเรามันไม่ได้ถูกเท่งนั้นแะ่ะเออ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 ถ้าถูกความเขาแล้วก็อย่าไปโทษเขาเลยมันถูกแล้วก็ให้เขาจ้ะถ้าเขาว่าเราทําอย่างนั้นเราไม่ทําอ่ะเขาก็พูดผิดก็อผิดก่อนให้เขาเอาจ้ะเขาพูดไม่ถูกเราไปเอาเลยกับเขาแล้อย่างนี้เราไม่มีทางผิดละจิตใจเราก็ปลื้มใจอยู่ในการประพฤจนปฏิบัติของเราอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ท่านเรียกว่าสีเรนะสุกัิงยันติสีเรนะโคขสัมปทาสีเรนะนี่พู้ติยันติ ตัดสมาสีรังนิสโสตเยให้เราคำนึงดูสภาวะสินห้าประการเนี่ยมันเป็นสินของมนุษย์แท้ๆทุกคนเราเป็นคารวะตัวดีในกลุ่มพุทธบริษัทเนี่ยเคยตั้งใจไหมว่าเราจะพยายามรักษาสินห้าให้สมบูรณ์เคยมีัหมมีใครเคยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้อันนี้คือความดีคือความจริงบางคนอาจจะตอบว่าผมทำไม่ได้ครับ โลกเขาพาตาอย่างนั้นโลกเขาพาเปลี่นอย่างนั้นผม ก, ก็เป็นไปนตามโลกเขาเนี่ยทุกครูมัตมาทางพิจารณาแล้วไอ้าทางมีความสุขน่ะไม่เคยมีใครสนใจนอกจากคนแก่ๆเท่าเคขะขาเนี่ยพูดไม่เรื่องกับเขาเป็นคนโบราณถ้าเขามารักษาศีลห้าคนสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรจะแล้วล่ะอย่างนี้ไ้ฉะนั้นบ้านเมืองของเราจึงมีความเดือดร้อนขึ้น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 ดูพ่อแม่กับลูกเจ้านายกับราษฎรทุกวันเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันเนอกเพราะอะไรกันก็ไม่รู้เพราะมันขาดสีธรรมนี่เนี่ยสีเลนะสุขติงยันติมันไม่มีความสุขเพราะศีล น, นี่เองไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุดจริตอันนี้อืมทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็ร้อนถ้าร้อนมันก็เป็นไฟ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 ในสายตาสายใจมองดูในกลุ่มชนหน่อยไม่เคยคิดว่าในกลุ่มนี้ตั้งร้อคนพันคนจะจะพยายามรักษาไอธรรมะอันนี้ให้ดีแท้จริงเนี่ยสักสี่ห้าคนเองยิ่งเป็นในชุมนมชนใหญ่ๆนะไปเทศเทือกเทศอกอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเนาะมไม่ได้ยินฉะนั้นอาตมาจึงว่าคอยไปในกลุ่มชนใหญ่ๆไม่อยากจะไปไปทํามันไม่เกิดประโยชน์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 อาตมามันเป็นพระยังไงก็ไม่รู้แต่เขามานีมนก็หน้าไปนะไปโปรดอีฉันด้วยอืมไปโปรดเราไปเรวไม่ใช่ไปโปรดเอาเราไปโปรดใช่ไหยกลับมาไม่มีรักมันจะมีกำไรมันขาดทุนทั้งนั้ น, อ, นอย่างในกลุมชนหมู่หนึ่งไกลๆบางคนคำว่าวัดนุ่งพ้าโพลก็มีความดีใจ อยากให้ญาติพี่น้องในยินในฟังด้วยทาบุญว่านนิมนต์ไปเอาพระไปแย่ทางนั้นน่ะเอาขี้เล่ามาหาพระแตนวุ่นไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะอื ม, มานั่งอยู่วัดประพงศ์เราก็ยังเกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะไปเสียค่ารถเสียค่าน้ํามันอะไรวุ่นวายอย่างนั้นญาติโยมเราทั้งหลายเนี่ยให้พิจารณาให้มันดีอืม อาตมาจึงยกเอาไวอยู่ในกลุ่มเด็กๆพูด ก, กันใครที่มีศรัทธาเขาเข้ามาพูดกันว่าการพูดการดูเรื่องง่ายๆในกลุ่มหนึ่งถึงพันคนนะเรามีคนเป็นคนถึงห้าสิบคนมันยังพูดตัวมันแต่แล้วนี่มันเป็นไปอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมั น, นดาเนินไปได้อย่างนี้เมื่อเราทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเราทําไปทําไปดูผลงานแล้วไม่มีอะไรเลยแลาจะมีใจทํางานหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ ไม่มีใจทํางานตามพาะเรามันยังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเช่นเราไปไปทํานาที่วันนี้ดํานาไปเหะดําไปกระทั่งวันก็ต่างวั น, นดําไปสามวันสี่วันมีคนกลุ่มหนึ่งมาถอนไปตามหลังอ่ะวันนี้เราดําไปพวกนี้มันก็มาถอนทิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใครจะทําไงเนี่ยพวกนี้จะดําต่อไปอีกเขาก็มาถอนอีกเรื่อยเรื่อยจะทำไง มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าอย่างนี้เรามองดูข้างหลังแล้วมันถอนขิ้งหมดแล้จะทําไปอะไรทํำทั้งหลายเนี่ยว่าทําไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท็ไม่ต้องทำทาไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือมันการนั่นแหละเสียเล น, น่ะสุขกจริงยันติมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีสุขอย่างเนี้ยถ้าจะพูดที้มีศีลมีธรรมหนี่กลัวกลัวอืมกลัวอย่างนี้เป็นต้น ในกลุ่มทั้งหลายมานหันหน้าเขาอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นภูมินินศีลธรรมทุกวันนี้ก่อเป็นของอยู่ไดยากเป็นของอยู่ได้ยากลำบากเหมือนกันเราทั้งหลายผมว่นกันฉันนั้นทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้ า, าก่ามีใครมีบุญบา ร, รมีจริงๆมีศรัทธาจริงจริงยิ่งจะมีความคิดยิ่งจะมีปัญญาปลีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมะได้ดีที่สุดแก่นี้มันเป็นใจอย่างนั้น คือใาโพกัสัมปทาโพคะทั้งหลายของเรานั่นมันเกิดมาจากศี้นโพคะสมบัติทั้งหลายจากผูสมบัติโฉดสมบัติภาะสมบัติชิวหาสมบัติกายสมบัติมโนสมบัติสมบัติทั้งหลายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นสมบัติทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ไม่บริบูรณ์ะ มีแขนเสียแตมีตาเสียมีหูเสียอวัยวะอะไรเสียเป็นซะไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือศินไม่บริโคคะในศินไม่มีนั่นมันเป็นซะอย่างนี้เรามองเห็น ง, ง่ายทั้งตาเราก็มองเห็นทางใจเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันเป็นซะอย่างนั้นโคคะสัมปท า, าอืโคคะทั้งหลายเหล่านี้เราจะมองเห็นแต่ของทางนอก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 ควรจะรักษาแล้วเนี่ยอือย่างอย่างแขนเนี่ยเขาจะมาเสื้อเราสักหลายหมื่นขายไงเขาไม่ตัดให้เขาได้ไหมนี่ของตัวเรานี่อาวัยยาวนี่ไอ้ลูกกระตาเราเนี่ยใครมาควักออกลูกหนึ่งหลายหมื่นเดาไหมเนี่ยอืมันเป็นยังไงมันมีคุณค่าอย่างไรที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ะเดชพรค่ะคือศินอันนี้อันนี้เราไม่คิดอย่างนั้น โคะอันเกิดจากสินคือภายในมันเป็นอย่างนี้คนเราไม่มองเห็นมาเปลี่ยนโคละวันนี้กรมการฉันนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายจงช่วยกันพิจรารณาเถอว่าที่มานั่งอยู่ในกลุ่มนี้บางทีมันกึ่งคนแล้วก็มีนะค่อนคนแล้วก็มีนะเนี่ยวันคืนร่วงไปร่วงไปคือวันคืนนะมันไม่หยุดแล้วเนี่ยมันร่วงไปร่วงไปอยู่เรื่อยๆ ถามเจ้าของด้วยว่าวันนี้เราทำอะไรมัง่งเราทำอะไรกันอยู่เราอยู่ในความประมาทหรือเปล่าหรืออยู่ในความเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรใค้คนคิดคนปนริจารณาอย่างนี้ถ้าเราเห็นะช่วยแก้ไขเจ้าของเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นให้มากแก้ไขตัวเราเองซะก่อนถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นมันก็แก้ไม่ได้ ถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่แก้ตามก็ช่างเขาตัวเราเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีคำเสียหายอะไรที่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้เห็นนั้นศีลนี้ท่านจึงเรีกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทัท้งหลายทั้งปวงอย่างวมหายใจมันเป็นพ่อแม่ของกาอยววัฒทางร่างกายถ้าหมดลมหายใจเราอาจจะจะเป็นไปไห ม, มก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเน่ย เศีลนี้กว่ามันกันารจึงมีมัตรมีผลมีพระนิพพานถึงที่สุดก็คงมีศีลจะก่อนยังเดี่ศีเลยนะสุขจริงยันติศีแรงโพกตสมบาาัติศีลยนะนี่พูทจริงยันติสัตมาศีแังมิโศแตเยระราพุทธเจ้าท่านเพิ่งชวนเนีพุทธบริษัททางไหนจะมาทานจึงศีลใหม้มีเหมือนกับคนเราทางไหนเกิดมานั่งนี่เกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาจากพ่อจากแม่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 อุบาสกวจิกาธาตุไฟใจในธรรมอย่างนั้นอืมเห็นว่าเกิดมานเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสน า, าแล้วไม่เสียทีอะไรทำมันรู้กันหมดทั้งนั้นไอเดี๋ยวนี้มันรดุกันแต่ไมันไม่ทากันจะทํำยังไงอันนี้ให้ประกันเข้าใจในในในปีนี้ปีนี้ก็จะมีครั้งเดียวเช่านี้นะอืมปีต่อไปนั่นก็ให้มารวมกันเทนี้ ส่งน้ำกันที่นี่อย่างเก่าแต่ไม่แน่นะคนมานี่ในกลุ่มใหญ่ฝีหน้าจะมีกรดตรงการเล่นเด่นกรดตรงกลางกับเขาอีกก็ยังไม่แน่นอนนะือไม่มีหวังทั้งหมดนะพูดง่ายๆนะบางคนก็อาจจะไม่ได้รถน้ากับเขาก็มีนะเพราะอะไรมันร่วงไปร่วงไปทุกวันนี้เขาตามข่าอยู่เหไหมละ่ะตามข่าอยู่ มี ม, มีมีโยมก็เคยมาถามแล้วว่าน้องพ่อไม่กลัวคอมมอนนิสต์หนูไอ้คอมมอนนิสต์ตัวมันทําไมไอ้ไอ้ไอ้คอมมอนนิสต์มันตามข้าแต่เมื่อวันเราเกิดมาหนูนะน่ะคอมมอนนิสต์นี่มันมีกลัวแล้วมันมีกลัวในตัวของเราเนี่มันเยอะแยะไปแล้วนะ่ะเราอย่ไปคิดเนีมันห่างไกลอย่างนั้นดีาอ้ฉนั้นขอพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัทนั้นให้ปีกตัวออกพยายาม พยายามสร้างคุณงามความดีถ้ายังไม่มีก็ทําให้มันมีถ้ามีน้อยทําให้มันม า, า ม, มากถ้ามีมากทําำมันมากเกินไปเกินกว่ามันจะพ้นจากวัฏสงสารนั่นเองที่นั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ด้วยอํานาจของคนภาษีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองของพวกท่านทั้งหลายด้วยการประพฤติป ฏ, ฏิบัติศีลธรรมนี้จงมีความอยู่เย็นเป็นสุขให้มีอายุมั่นขวัญยืน ให้ประพฤติพระธรรมีในต่อไปดับทุกข์ซึ่งที่มันเกิดมาในใจนั้นให้บรรเทาทุกข์ให้ถึงสุขถึงความสงบทุกทุกคนอย่ามีความประมาทอืแต่นั้นวันนี้ก็วันเวลาก็พอสมควรอืมฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจทุกทุกคนพากันประพฤติปฏิบัติเช่นว่า กิตวัดอันใดที่ในวัดต้องพงเราทํามาแล้วก็ให้ประกันตั้งหกตั้งใจทําต่อต่อไปให้เป็นเยื่องอย่างของคุณบุญถุกหลานที่ดีทุกๆคนอืมจึงจะเป็นมงคลฉะนั้นวันนี้จึงเลยขออืเลิกกันบรรยายธรรมให้โอวาดกับพทบุทธวิสัชษทั้งหลายในวันนี้ฉะนั้นขอความปรารถนาของท่านทุกๆคน จงในหลังความมุม่ง ม, มา่นฝ่าชนะทุกๆประการเพิน